เทียบเคียงเรื่องกิเลสกับเราก็าเทียบเหมือนกับแม่เนื้อกับนายกานแม่เนื้อหากินเฟินมแล้วนาทานยิงเอายิงออกยิงจนกระทั่งแม่เนื้อตายแม่เนื้อเองยังไม่มีโอกาสที่จะทราบว่าใครเป็นคนย ใครเป็นคนทำลายตัวเพราะไม่มองเห็นในการเห็นแต่ยืนตั้งมาก็ถูกแล้วตายตัวที่เห็นก็คือตัวที่เก็บ่างมากแค่เห็นปติปัญญาที่เกิดเลยนั่นไม่มีเราก็ถูกแต่ กิเลสยิงเอาให้เกิดความทุกข์ความทรมานทางร่างกายและจิตใจแต่พาะอย่างยิ่งจะคือจิตถูกกิเลสยิงเอายิงเอานะรับแต่ความทุกข์ความทรมานแต่ไม่ทราบว่าสาเหตุที่เกิดความทุกข์ขึ้นมานี้เป็นมาจากอะไรเป็นมาจากลูกศรนของกิเลสหาจริงต้องเรียนวิชา เรื่องของกิเลสเรื่องของตัวให้ทันกันทันในช่วงใดหรือในระยะใดในขั้นใดก็พอแก้ไขหรือถอดถอนกันได้ในขั้นนั้นท่านที่ยังไม่ทราบหรือยังไม่รู้ก็ต้องยอมให้เขายินไปก่อนเรื่อยๆก็ค่อยแก้ไขมันไปเรื่อยๆ วิชาที่เรียนเพื่อจะรู้เรื่องของกิเลสนี้ก็มีหลายประเภทที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเฉพาะผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้จริงเห็นจริงยินจริงการสอนเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาอันนี้เป็นอาวุธที่ทันสมัยหรือเป็นเครื่องแก้ที่ทันสมัยที่จะปราบีิเลยตัวทาลายสัตว์โลก ให้รับความทุกข์ความลำบากเรียนว่าตาเกิดในวาตะสงสารมาแล้วไม่เล่าสักผีแล้วไม่มีต้นมีกายถ้ามันมีเครื่องแก้แล้วก็เป็นอันว่าอนันตการหาเรื่องเวลาไม่ได้การแก้กินใยการเรียนรู้เรื่องใดก็ตามก็ไม่ยากไม่ลำบากเหมือนการเรียนในรู้เรื่องของตัวเอง ถ้าเราถือสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตัวของเรามานมนานดีหรือชั่วความคิดการกระทำคำพูดที่แสดงออกมาจากตัวเราเราถือว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งนั้นเมื่อเป็นเช่นน้จึงต้องว่าเรียนเรื่องตัวเราเรื่องโง่เรื่องฉลาดเรื่องดีเรื่องชั่วมีอยู่กับตัวของเราด้วยกันแต่ข้ อ, อย่างยิ่งเวลานี้เราเรียนเรื่องจิตนี่เฉพาะเรื่องของเราแท้ๆคือเรื่องของจิต จิตมันแสดงอาการแนงงอนต่างๆเน้นๆ ต, ตั้งแต่กลมายาของพิเรศที่พาให้แสดงตรงนั้นตามธรมรมดาของจิตและจะมีตั้งแต่ความรู้ล้วนๆแสดงอาการพลิกแป ล, แปลงแปลงไปต่างๆในแง่ดีแง่ร้ายอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงออกจากจิตและมีอันหนึ่งเป็นเครื่องหนุนเป็นเครื่องผลักดันออกมาให้พิดให้ตุง ให้พูดให้ทําเช่นนั้นการที่ตั้งหน้าปฏิบัติจริงๆเช่นนักบวชมีเวลาโดยเฉพาะกับงานอันเดียวอะไรสื่อว่าสะดวกมากกว่าคารวาสีพอจงพรอย่างนี้หากจะตั้งหน้าตั้งตาเพฤ่อปฏิบัติเพื่อกําจัดจริงๆตามหน้าที่ของตนและเพศของตนซึ่งบอกไว้แล้วว่าเพศนักบวช แต่ไม่มิไม่ว่าใครมันก็พ้นอำนาจของความขี้เกียจอ่อนแอไปไม่ได้แนวลบไปแล้วยังไปนอนหลับคลอดคลออยู่ในแนวบให้กิเลสมันยิงเอายิงเอานีจ่จำนวนมากพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้มีความตื่นเมื่อตื่นตัวมีความขยันหมั่นเพียรสถานที่ใดที่จะเป็นเครื่องดับสันดานกิเลสซึ่งถือว่าเป็นตน ก็สอนให้ไปอยู่สถานที่เช่นนั้นนี่ได้เคยเห็นผลมาตามกําลังกระจักใจด้วยอยู่ในที่ธรรมดากับครูกับอาจารย์เพื่อนฝูงความรู้สึกเป็นอย่างหนึ่งความขี้เกียจขี้ค้านก็รู้สึกว่าเด่นแทนที่ธรรมะจะเด่นกลับเป็นความขี้เกียจกลับเป็นเรื่องของกิเลสมันเด่นแต่พอแยกตัวออกจากเพื่อนฝูงหรือครูอาจารย์แล้ว ความรู้สึกก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่และความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปว่าไม่ใช่อยู่กับเพื่อนฝู้ไม่ใช่อยู่ในสถานที่เช่นนั้นมีเป็นสถานที่อันหนึ่งต่างหากและมีความรู้สึกแปลกขึ้นมาส่วนมากก็เป็นความนอมัดระวังตัวพรอเราไปหาที่ระวังตัวไม่ไปหาที่นอนใจคือหาที่ตั้งใจระวังตัวมีสติกลางวันก็มีสติ เพราะความกลัวสิ่งแวดล้อมันบังคับอยู่ตลอดเวลาในที่บางแห่งทางจากหมู่บ้านทั้งเจ็ดแปดกิโลก็มีแล้วในป่านในเขาด้วยที่เช่นนั้นถ้าเราไม่ออกมาเกี่ยวเับหมู่บ้านเช่นมาบินธบาทก็ไม่มีวันที่จะพบจะเจอคนเลยเพราะอยู่ในป่าในเขาและเป็นที่เฉพาะซึ่งไม่ใช่เป็นทําเลหากินของเขาเขาก็ไม่เข้าไปยุ่งของเราไปไปยุ่งเราแม้เขาจะผ่านไปเขาก็ไปที่อื่นขเขาไม่ไปเกี่ยวข้องกับเรา จึงไม่มองเห็นใครนอกจากเสียงสัตว์สถานที่ก็สงบเงียบเป็นที่น่ากลัวอยู่แล้วและมีน้ำท่วมสิ่งที่เราน่ากลัวก็แสดงออกมาเช่นเสียงเสือเป็นต้นร้องคํารามต่างๆตามภาษาของมันแหละนิสัยของคนอมนมันก็ต้องเป็นไม่ว่าสัตว์มากคนสิ่งที่น่ากลัวก็ต้องตูกหรือเมื่อความกลัวเกิดขึ้น เราไม่มีที่พึ่งเพราะเจตนาของเราก็าไปเพื่อพึ่งตนเองไม่ได้หวังจะพึ่งศาสตราอาวุธใดๆทั้งสิ้นพึ่งอัดพึ่งทำพึ่งตัวเองด้วยอัดด้วยทำเป็นเครื่องมือหรือเป็นที่เกาะที่ยึดจิตใจจึงหมุนตัวเข้ามาสู่ภายในจะเป็นกับตายก็ไม่หวังพึ่งอะไรทั้งนั้นแม้เสือจะเดินเข้ามากัดกินตัตวเราในขณะนั้นก็ไม่ยอมที่จะไปคว้า ตกระอาวุธหรือไม้เอาอะไรมาตกมาตีเป็นเครื่องต้านทานหรือเป็นการต่อสู้หรือป้องกันตัวเลยปล่อยให้มันตามธรรมชาตินั้นเมื่อเป็นฉะนั้นก่อแสดงว่าไม่มีที่พึ่งใดแล้วสําหรับภายนอกทางด้านวัตถุนอกจากนามธรรมคือใจกับธรรมจะเป็นพุทโธธรรมสังโฆอะไรก็แล้วแต่ตามขั้นของจิตที่พิจารณาถ้าเป็นขั้นสูงยิ่งกว่านั้น ธรมาพุโทโธตรมสังโฆก็เปลี่ยนเข้าไปเป็นเรื่องของจิตโดยเฉพาะมีความรู้สึกอยู่กับตัวเองซึ่งเป็นพุโทโธอันหนึ่งือนกันหรือเป็นธรรมอันอยู่ในนั้นไม่ยอมเผอจิตที่มีสติจิตที่มีสิ่งแวดล้อมน่ากลัวถ้าเกี่ยวข้องย่อมเป็นจิตที่ตั้งตัวได้ดีเป็นจิตที่ธรรมดระวังความธรรมระวังเป็นเรื่องของสติ ระมัดระวังอันนี้ไม่ใช่ระมัดระวังเพื่อจะเห็นหนีไปไหนระมัดระวังเพื่อรักษาจิตใจแม่เพื่อนข้าดออกจากหลักธรรมซึ่งจะทําให้เสียหลักไปได้จิตมุ่งหน้ามุ่งตาต่อทำเท่านั้นจะเป็นจะตายก็ไม่ต้องหมายป่าช้าคุณง่ายๆตายที่ไหนก็ยอมกันที่นั่นแต่ขณะที่จะตายก็ดีหรือไม่ตายก็ดีในขณะที่กลัวนั้นต้องให้มีทำอยู่ภายในจิตใจเสมอคือสติไม่เผลอจากคำที่ตนกําลังพิจารณา จิตใจเมื่อถูกสิ่งแวดล้อมบังคับอยู่เช่นนั้นก็เป็นเครื่องช่วยให้สงบตัวเขาได้เร็วหรือให้ได้หลักยึดอย่างรวดเร็วถึงกับสงบตัวเข้ารวมอยู่โดยเฉพาะเมื่อจิตรวมตัวเขาเป็นอันเดียวเป็นตัวของตัวในขั้นนั้นแล้วความที่เคยหวาดกลัวต่างๆก็หายไปหมด นี่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการระมัดระวังและความกลัวเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนให้เราประกอบความภาคเพียรด้วยสติด้วยความจริงใจเมื่อจิตสงบตัวเข้ามาเป็นตัวของตัวโดยไม่ไปิดเกี่ยวข้องกับสิ่งใดแล้วอยู่ที่ไหนก็สบายจะเดินจะนั่งจะนอนอยู่ใต้โลกตาตามต้นไม้ชายคาหรือที่ไหน ไม่มีปัญหากับสิ่งต่างๆที่ว่าจะมาทำาอย่างนั้นมาทำอย่างนี้เป็นความสะดวกสบายผาสุขเย็นใจนี่เพียงเท่านี้ก็เห็นผลของการอยู่ในสถานที่เราต้องการและเป็นไปตามความประสงค์ ข, ของเราแท้การวันก็ตามการคืนก็ตามคิดตั้งตัวอยู่เสมอไม่ละความเพียรก็แสดงว่าเป็น บำรงถูกจิตถูกบำรงอยู่เสมอด้วยสติด้วยปัญญามีความเปลี่ยนเป็นเครื่องลุ่นหลังงั้นไม่หมายอะไรทั้งนั้นจิตละเลีดเหมาะในเวลาชุด น, นั้นบางทีทำท่าจะเป็นพระรอรหันต์น้อยๆขึ้นมาก็มีแต่ก็ทราบว่าทําท่าไม่ใช่เป็นพระรอรหันต์น้อยๆขึ้นมาจริงๆคือสงบไปหมดไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ความรู้ล้นล้วน ความรู้ล้วนๆนั่นกัเป็นความรู้ที่มีกิเลสอยู่นั่นแหละแต่เราไม่ทราบว่าความสิ้นกิเลสเป็นยังไงได้ยินแต่ครูอาจารย์ท่านว่าความรู้ล้วนๆเราก็เลยถือว่าความรู้ล้วนๆนั้นปั้นความรู้ล้วนๆเสร็จทางล้วนๆขึ้นมาว่าเป็นพระฐานน้อยองค์หนึ่งนะพื้ไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อแต่ความรู้เด่นทั้งกลางมันกลางคืนนั่นแหละสถานที่เช่นนั้นเป็นสถานที่รุ่นหนึ่ง จะไปไหนก็เป็นความอะไราเสียดายหรือว่าความเพียรจะไม่ก้าวหน้าเหมือนกับอยู่สถาน ท, ที่ที่นี้นทําให้มีความรุ่นเริงบันเทิงการความเป็นอยู่ปูว่าอะไรทั้งหมดไม่เข้ามาเกี่ยวข้องให้เป็นอารมณ์ของใจนอกจากความเพียรได้พินิจพิจนนารณาและขณะที่จิตทังเราเป็นเพื่อนนั่นอยู่ติดโดยสืบเนื่องต่อกันเรื่องของสมาธิคือความสงบตัวนั้นเราไม่ต้องพูด คำว่าสมาธิไม่ไม่ ห, หมายถึงว่าจะเข้าไปอยู่เป็นอันเดียวไม่คิดไม่ปรุงอะไรเลยแต่เป็นความสงบที่ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรแม้จะคิดจะปรุงก็เป็นเรื่องอัดเรื่องทำอยู่โดยเฉพาะตนเองนี่ก็เป็นสมาธิคือความสงบภายในตัวเองแต่ทํางานเพื่ออัดเพื่อทํารือเพื่อแจ้คไข่ถอดถอนที่เหลือได้อยู่อย่างสบายๆนี่เราจะพิจารณาเรื่องขาดเรื่องขันเรื่องความเป็นความตายความทุกข์ความลำบากตามสัจธรรมนั้นก็ จิตก็ตั้งหน้าตั้งตาทำโดยไม่ต้องมีความขี้เกียจมานำหน้าเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาสิ่งใดที่เราพิจารณาค้นคว้ายอยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นความจริงอยู่แล้วในจิตที่เราโม่งนั้นมันก็ต้องปรากฏขึ้นมามากน้อยโดยลำดับจิตที่เคยมืดมนอนทาการมาแต่ก่อนเราก็ไม่คาดในฝันว่าจะมีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมารู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นละในสิ่งที่ไม่เคยละ นั่นก็ปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจเพราะอาศัยสถานที่นั้นเป็นเครื่องส่งเสริมเรื่องภัยก็มีอยู่กับตัวของเราแล้วทำไมเราจะไม่รู้อะไรที่เป็นภัยสำคัญไงว่าภัยจากช่างจากอะไรภัยจากช้างจากเสือจากสัสต์ต่างๆมันนอกไปเสียนั่ น, นเวลาพิจารณาเข้ามาพิจารณาไอ้ภัยที่เกิดขึ้น ภายในตัวเองมีร่างกายเป็นทั้งพายเป็นสาคัญความทุกข์ความลำบากนี่ก็เป็นภายอันหนึ่งภายสำคัญก็คือกิเลสที่เสียบแทรกจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้เป็นภายอย่างยิ่งภายอันนี้เป็นภายเรื้อรังไม่มีเวลาจะหายได้เลยถ้าไม่มียาธรรมโอสถอันสำคัญเข้าไปแก้จงกระทั่งวาให้หายขาดไปได้จะไม่มีวันหายจากภายอันนี้เลยนี่จิตก็ต้องพิจารณา วันคืนปีเดือนเป็นเพียงมืดกับแจ้งเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรสําคัญสาคัญที่สัจธรรมซึ่งมีอยู่กับตัวปิดจิตปิดใจให้มืดไม่ปิดนานี่ก่อเพราะสัจธรรมโดยที่เราไม่เห็นว่าสิ่งนี้เป็นสัจธรรมเมื่อเราพิจารณาเห็นเป็นสัจธรรมคือความจริงล้วนๆทุกสิ่งทุกอย่างปลาสิ่งนี้ก็เปิดเผย ไปตามความจริงของเขาคือเป็นความจริงอยู่เช่นนั้นเนื่องจากใจได้เห็นความจริงจากถึงในแนวะถอนตัวเข้ามาสู่ความจริงของตัวเองจิตโฆษณาผ่าเผยอะไรเป็นกิเลสแล้วอ่านในคำพีบาลานตำหลักตำลาอ่ารมาถ้าจนพอเราะมากกิเลสกิเลสคือความเศร้าหมองนะสิ่งที่ให้เกิดทุกข์แก่สัตว์ ชื่อกิเลสไม่เกิดไม่ทําให้เกิดทุกข์ตัวกิเลส จ, จริงๆนั้นทําให้เกิดทุกข์ได้และตัวกิเลส จ, จริงๆคืออะไรนี่อยู่ที่ไหนสุดท้ายก็มารวมอยู่ที่ใจนี่แหละเป็นภาชนะของขปรกสิ่งสกปรกโศมมทั้งหลายเหล่านั้นจึงต้องพยายามชะล้างสิ่งเหล่านี้ออกทําอันเป็นคู่ควรจก่ใจอย่างนี้เข้ามาแทนที่โดยลํำดับลํำดับขับไล่สิ่งที่สกปรก น, นั้นออกไปด้วยสติด้วยปัญญาศรัทธาความเพียรพิจารณาให้เห็นความจริงที่มีอยู่กับตัวทุกคนไม่มีอะไรบกพร่องความทุกข์คนลมหมเห็นประจักษ์อยู่ทั้งวันทั้งคืนในร่างกายก็แสดงให้เห็นอยู่จิตที่ไปรุ่งกับสิ่งใดก็ปรากฏเป็นความทุกข์ขึ้นมาภายในใจก็รู้อยู่เห็นอยู่นี่แหละภัยนีท่าไหึ่เป็นสาคัญ พิจารณาสร้างปาช้าขึ้นด้วยตัวเองนี่แหละมันดีคือสร้างปาช้าขึ้นมาพิจารณาให้เห็นชัดเจนในเรื่องป่าชา้าคือความตายให้พิเดช ส, สร้างให้มันไม่สิ้นไม่สุดให้เราสร้างด้วยปัญญาของเราว่าปาช้าอยู่ที่ไหนว่าอยู่ที่เราเอากําหนดลงให้เห็นชัดเรื่องปาช้ามีอะไรตายจริงจริงหรือดูลงไป กลัวกันนักกันหนาในโลกกรถางนี่กลัวแต่เรื่องตายใครมาบอกให้กลัวไม่มีใครบอกมันก็กลัวเองไม่มีต้องไม่ต้องตั้งโรงน้ำโรงเรียนสอนกันเรื่องความตายศาสตร์โลกรู้กันกลัวกันทั้งนั้นทําไมยิงต้องกลัวกันโดยไม่ต้องท่ามสอนกันกลัวเราเองก็เช่นเดียวกันทําไมกลัวแล้วเรียนที่นี่เรียนเรื่องความกลัวตายให้รู้ว่าอะไรมันตายแน่มันถึงได้กลัวกันนั่งหนา แล้วมันตายจริงๆเหรอเรียนลงไปให้เห็นเหตุเหผลของมันดูธาตุสี่ดินน้ำลงไฟจะพอยิ่งร่างกายของเรานี่รวมอยู่แล้วในเป็นธาตุสี่ธาตุดินคือส่วนที่ขั้นแข็งในร่างกายนี้ท่านเรียกธาตุดินน้ำเราก็ทราบแล้วว่าน้ำอะไรมีอะไรบ้างมีน้ำลายเป็นต้นลมไฟมีอยู่ในนี้อะไรตายเอาแยกออกไปให้เห็นปัจฉ่าของสิ่งเหล่านี้จริงๆถ้าว่าสิ่งนี้ตายจริงๆแล้วมีปัจฉ่าจริงแล้วดู เวทนาตายแล้วที่เผาศพของเวทนาอยู่ที่ไหนชั้นยาเวลามันดับไปแล้วมีสถานที่เผาเป็นอยู่ที่ไหนสังขารเวลามันดับไปแล้วสถานที่เผาศพมันอยู่ที่ไหนดินญาณเวลามันตายแล้วสถานที่เผาศพมันอยู่ที่ไหนร่างกายของเราที่เวลาตายแล้วสถานที่เผาสศพจริงมันอยู่ที่ไหนเผาลงไปนะมันก็เป็นไปดินนั่นก็เผาดินเฉยๆนะ แล้วจิตละ่ะสถานที่เผาศพของจิตมีอยู่ที่ไหนไม่มีคนนั้นมันเห็นตามความจริงเราอยากคาดเฉยๆที่แรกก็ต้องคาดดูเสียก่อนเพราะยังไม่ทํานานคาดจนเข้าถึงความจริงแล้วความคาดหมายก็หายไปไม่มีอะไรที่จะจริงยิ่งกว่าความจริงไม่มีอะไรที่มีน้ําหนักยิ่งกว่าความจริงลบล้างความจำปลอมได้หมดนี่เราเรียนนิชานี่เราเรียนเพื่อถึงความจริงจริง ให้ถึงสถานที่ว่าอะไรตายแน่เมื่อมันชาติพันในจิตใจว่าไม่มีอะไรตายนอกจากความต้องการท้องจิตที่หลอกตนมาเป็นเวลานานนี้เท่านั้นและผู้นี้แหละผู้หลอกแต่ผู้นี้แหะเป็นผู้กลัวแล้วผู้นี้แ่ะเป็นผู้ทุกธาตุสีดินน้ำลงไปเขาไม่มีความหมายเขาไม่ทราบว่าเขาเป็นทุกกต่ผู้ที่หลอกตอนเองนี้แหละเป็นทุกเรียนให้รู้ที่เดียนอาสาว่าอ้าว พามันสลาลัลงไปอีกจริงๆแล้วความมันมันมันก็มีป่าช้ามั่นกันเพราะมันเกิดขึ้นจากใจเป็นความสัมพันธ์อันหนึ่งๆที่เกิดขึ้นมาจากพานจิตเรียนเข้าไปให้ถึงจิตแยกดูธาตุดินน้ำลงไปปกติก็เป็นธาตุอยู่เช่นนี้สลายลงไปก็เป็นไปเป็นธาตุอยู่เช่นนั้นจิตเวลาหลงก็เป็นธาตุมนโนธาตุอยู่เช่นนี้เวลารู้ก็เป็นมนโนธาตุอยู่เช่นนี้เป็นแต่เพียงว่ารู้ด้ยวยความบริสุทธ์ ตามหลักธรรมชาติงตนจริงๆไม่รู้เในมีความแปลกความหรือมีความรุ่งหลงแขงอยู่นผิดกันทํางานนี่นนนว่าเรียนความตายความตายอยู่กับเราเรากลัวอะไรเรียนรู้ให้รู้ให้รู้เรื่องของความกลัวเมื่อรู้ชัดเจนแล้วความกลัวก็หายไปอะไรมันไม่ตายดังที่ว่านั่นมันเป็นเพราะความสําคัญความสำคัญค ก็ต้องถือเป็นค่าสิทต่อเราพอาโกหกเรานี่งั้นเรายังจะทนเชื่อความสัมพันธ์นี้อยู่เหนือถ้าปัญญาได้จับลงไปจับลงไปพิจารณาลงไปแล้วสิ่งเหานี้ก็สลายไปอีกเช่นเดียวกันไม่มีอะไรมาหลอกเหลือแต่ความจริงเหนือเดียวเรียนวิชาธรรม เรียนเรื่องของเราเรียนหนังไม่มีอะไรที่จําเป็นยิ่งกว่าเรื่องของเราเพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบอะไรสะเทือนก็สะเทือนเราเป็นทุกข์ขึ้นกับเราเมื่อเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่สะเทือนจิตใจไม่หวัน่นไม่ไหวเป็นธรรมทั้งดวงที่ว่ากิเลสนี่แหละชื่อนะตัวกิเลสอยู่ที่ไหนก็ยังที่ว่าเนี่ยตัวหลอกนั่นแหละคือตัวกิเลส เราจะเข้าใจว่านั่นเป็นเราเลยถ้าเราเข้าใจนั่นเป็นเราแล้วก็หลงเชื่อมันอีกเราเราหลอกเราแมะเชื่อเราเรื่อยๆไปหาที่ยัดยั้งไม่ได้ไม่นม่าตายตื่นตูมไ่ทางก็ตายตื่นตูมก็เป็นทัิได้ดีนอนหลับนอนฝันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรลมพัดมาบ้างอืม ถ, ถูกการหล่นลงมาถูกกานตานตกโป่งปังมาเอาลง ม, มาของนั้ น, นก็ตายแต่สะดุ้งทั้งหลับโดดวิ่งไปตัดตัวไห น, นถามวิ่งอะไรก็บ้าถล่มฟ้าถล่มไปอพวกที่หลงตามมันก็วิ่งไปค้าหักแค่หักก็ไม่ถอยแล้ววิ่งไปคานไปจนก็ระทั่งไปถึงพญาราชาศีนยพญาราชาศีตะวักขู่ นิ่งอะไรวะกว่าฟ้าถลม่มใครว่า้าถลม่มแล้วถามหาความจริงจริงฟาถล่มยังไงใครเป็นคนว่าก็มาจนเกาะคือเจอก้กระตายไล่ไปดูไปดูที่ไหนได้มีมัตตูมลูกหนึ่งมันหล่นตรงนั้นมันถูกก้านตาลหล่นลงมาแน่นั้นก็พวกสัตว์ที่ตื่นหลงตามกระตายเพราะเจ็บแท่งเจ็บขาขาหักไปมันมีเยอะเนี่ยกระต่ตายตื่นตูมจะคืออะไรก็คือเราตื่นเรื่องความ แต่ความเจ็บความตายหลงไปเรื่อยๆว่าถึาทิ้งพระยาราชสีห์ก็ได้เก็บปัญญาถ้าทิงหมายถึงพูดเป็นเจ้าของทำก็คือศาสตราผู้สอนทำสอนความจริงนี้มาให้พิจารณาทำความจริงนี้จริงทั้งหลายที่จำลองขึ้นหลอกกันมาเป็นเวลานานา น, นั้นมันจะหายไปกลืนง่ายเออย่างนั้นเพราะบรรดาผู้ที่รู้ตาความจริงทั้งหลายเรื่องความหลอกเหล่านี้จะหลอกไม่ได้ งพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่เป็นพระอรหันต์ท่านไม่หลงในเรื่องความเป็นความตายพวกเราเนั่ยพวกก็ตายตีนตูมจึงต้องให้เรียนฟังพระพุทธเจ้าเหมือนกพระยาราชสีคูบังคับให้กลับขึ้นมาดูต้นเหตุที่ว่าฟาเถล่มมันถล่มจริงหรือเนี่ยขึ้นมาดูเรื่องความตายมันตายจริงหรือเนี่ยนะตูเนี่ยเอาค้นหาอะไรมันมันตายมันจะจะเห็นมันจะระตุลมล่นอยู่เท่านั้นแหละมัตุลมลนคืออะไรก็คือความจริงมัน ดูการธรรมชาติของหมันเท่านั้นล่ามตื่นไวยเถิดในรว่าในผู้ที่หลอกจริงๆคืออะไรมันก็คืออวิชาเนี่ยออกมาจากอาวิชา จ, จริงๆค้นดูภายในจิตจนละเอียดละออแล้วก็รู้กันที่นั่นสนัดปัดทิ้งกันที่นั่นเหลือแต่ธรรมชาติรู้ล้วน นั่นแหละคือความจริงอันสุดส่วนความบริสุทธิ์โดยทิ้นเชิงเรื่องกระตายปืนโตัวหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นหละพระยาลักสีหมายถึงปัญญาถ้าหมายถึงของเราโดยเฉพาะก็หมายถึงปัญญ า, าศาสนาก็หมายถึงศาสตร์ังศาตะประกาศสอนโลกเรียน้มันถึงความจริง เพราะความจริงมีอยู่กับทุกคนความจอมปลอมก็มีอยู่กับทุกคนจึงได้หลงกันเมื่อเรียนให้เข้าถึงความจริงแล้วไม่หลงึงแี้ก็อยู่สบายความเป็นความตายก็สักแต่กิริยาที่มันผ่านไปผานม า, า, นมาเกิดติดตามสมมติว่าเกิดอตายแค่นี้แต่รวมกันเข้าเป็นส่วนผสมแล้วก็สลายตัวลงไปรวมเข้าสลายลงไปนี้เท่านั้นไม่เห็นมีอะไรแปขึ้นกว่านั้นไป ถ้าใจรู้เสียอันเดียวเท่านั้นรู้ทั้งตัวรู้ทั้งเหงาแล้วมันก็ไม่มีปัญหาแต่แบบตาบอดทำช้างมันถึงยุ่งผกเสียงมันมีตลอดเวลาภายในตัวเองนั่นแหละถ้ายเข้าถึงความจริงแล้วก็ช้างโวเดียวนั่นแหละพอถึงความจริงแล้วก็มีทำแท่งเดียวภ า, ายในาจหายความตืน่นกรหนกตกใจ เ, เรื่องกระตายตื่นตุ้มมันหนด โลกธาตุจะมีอะไรบัง่งมากมายกายกองขนาดไหนไม่ตื่นไม่เต็นเลน่นจะตามความจริงทั้งหมดที่เรียกว่าโล ก, กวิถูเนี่ยทถนงรู้แจ้งโลกโลกมันเป็นยังไงรู้แจ้งชัดเจนมันเป็นสภาพยังไงรู้แจ้งชัดเจนมันหมดโล ก, กวิถูเป็มไปได้ทั้งสาวกเป็มไปได้ทั้งพระพุทธเจ้าแต่พระเจ้านั้นมีพิสดานกว้างขวางมากยิ่งกว่าสาวกอีกมากมายเราก็ให้เป็นโลกวิถูในตัวของเรานี่รู้แจ้งเห็นจริงในโลกแห่งขันนี้ ชัดเจนมันไม่หลงขันมันไม่มยึดขันรู้ตามความจริงของขันแล้วก็ไม่มีอะไรเจนไปทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยเอาเกิดขึ้นความจริงมีไงก็แสดงขึ้นผู้ที่รู้จะรู้จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายนะฮะถ้แล้วถ้ก็สลายถ้าทนไม่ได้ก็ไปพูดทนพูดทนได้หรือผู้อยู่ได้จะอยู่ก็จิตมันเองเป็นผู้อยู่เพราะไม่ผู้นี้มันใช่ผู้สลาย สิ่งที่ได้ไหนที่ทนไม่ได้ก็สลายไปผู้ที่ทนได้ถ้าพูดถึงว่าฐานาวะว่าทนนะแต่นี้ไม่ได้ทนนั้นจริงคือรู้อยู่อย่างนั้นอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะดับไปก็รู้อะไรจะสุขจะทุกข์ก็รู้เมื่อหมดปัญหาในเรื่องความสุขความทุกข์ที่เป็นส่วนสมมติได้แล้วมันก็หมดปัญหาภายในใจิตใจคือไม่รับทราบไม่รุ่งเหยองวุ่นวายต่อไปนะถ้าหนักที่ท่านว่า p a r ม m s สุขขัง เราจะไปหาปรมามังสุขขังที่ไหนทําำจิตให้บริสุท ธ, ธิ์เท่านั้นมันก็ปรมามังสุขขังอยู่ในนั้นอันนี้จะเป็นชื่ออันนเลยถ้าในชื่อปรมามังสุขขังเมื่อถึงที่นั่นแล้วจะว่าปรมามังนี่ปรมามังไม่ ม, ไมีปัญหาอะไรให้รู้เหมือนอย่างเรารับทานอิม่มนำทำลาย น, นะแต่ประกาศด้วยประกาศว่าเราทานอิม่มนั้นะกดท้ า, า ม, มันไม่มีปัญหาเพราะรู้อยู่ในธานในขันตัวเองนี่ อะไจะวกว้างขวางย่งกว่ามหาสมุดมหานิยมซึ่งให้จิตแบบเรียนไหวนี่มากมายการกองอันนี้แหละวกว้างกว่ากว้างที่ตรงนี้ถ้าเรียนจบที่ตรงนี้แล้วก็แคบนิดเดียวไม่ไแหวกว่าเพราะนันเราเลิกกันกับที่เคยพูดกันว่าป่าพระความเกิดแก่เจ็บตาย ปัญหาตัางๆขอมันวันนี้แสดงเป็นทวามร้สึกหนึ่งเลย <laughs>